วันนี้เป็นวันพระรหัสที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฝังธรรมวันปฏิบัติธรรมเพื่อชำระทัพกพ่อจิตใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์เพรจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จะนําความสุขมาให้แกจจ่จิตใจจิตใจนี้ก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เวลาสวมใส่เสื้อผ้าไปทักระยะหนึ่งเสื้อผ้าก็จะ มีคราบสกรปรกติดอยู่ตามเสื้อผ้ามีคราบเหนือใครทำให้เสื้อผ้าส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องคอยซักเสื้อผ้าให้สะอาดเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วเราก็จะไม่อยากจะใส่เพราะมันไม่ให้ความสุขเหมือนกับเสื้อผ้า ที่สะอาดใจก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าที่จะมีการถูกสิ่งสกปรก เ, เปื้อนทำให้จิตใจเศร้าหมองไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจมีแต่ความทุกข์ ความวุ่นวายใจความวิตกความกังวลต่างๆสาเหตุที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองก็คือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองนี่ที่เป็นตัวคอยสร้างความเศร้าหมองความทุกข์ใจความไม่สบายใจต่างๆให้แก่จิตใจถ้าต้องการให้ คามเศร้าหมองต่างๆเหล่านี้หมดไปก็ต้องคอยซักพอกจิตใจอยู่เรื่อยๆการที่จะซักพอกจิตใจได้ก็ต้องมีเครื่องซักพอกเครื่องซักพอกของจิตใจก็คือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ที่ทรงสั่งสอน ให้ชาวพุทธเรามันปฏิบัติทานศีลภาวนากัน <c oughs> เพราะทานศีลภาวนานี้จะเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจให้ขาวสะอาดให้บริสุทธิ์ผุดพองให้มีความสุขให้มีความสบาย กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปโดยเฉพาะการกำจัดในวันพระนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะจะได้ทำการสักฟอกอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาให้ชาวพุทธเหล่านี้ ใช้วันพระนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการปฏิบัติทำ<ม>ในรูปแบบต่างๆตลอดระยะเวลาหนึ่งวันกับ1นเคย<ม>ไม่ให้ไปทำภารกิจอย่างอื่น<ม>ภารกิจอย่างอื่น<ม>คือการเลี้ยงดูปากท้องของร่างกาย ก็แบ่งไว้ให้ไปทําในวันอื่นแต่ในวันพระนี้ให้เรามาชําระซักพวอกจิตใจกันเพราะการชํชราระซักควอกจิตใจที่จะได้ผลจาเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้น ที่จะไม่มีการปฏิบัติไม่มีการซักฟอกพอตึ่นขึ้นมานี่ก็เริ่มซักฟอกจิตใจได้โดยการเจริญสติเพื่อทำจิตใจให้สงบนะในวันพระก็เป็นวันศีลวันที่จะต้องใช้การรักษาศีลศีลของนักบวช ที่เรียกว่าเน่คัมม์การละการเสีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะการจะจะทำใจให้สงบได้จาเป็นที่จะต้องคอยกำจัดอุปสรรคที่ขวางกาั้นการทำใจให้สงบอุปสรรคที่ขวางกาั้นการทำใจให้สงบนี้เรียกว่านิวรณ มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถสักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้หรือไม่สามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่ สงสัยในพระอริยะทรงของพระพุทธเจ้าว่ายังมีอยู่หรือไม่ในโลกนี้ความยังเลยสงสัยเหล่านี้เป็นหนึ่งในนิวรณ น, นิวรณข้อที่สองคือการมฉันทะความอยากเสษ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะ เช่นอยากอยากกินอยากดื่มทั้งวันทั้งคืนโดยที่ไม่มีํำจัดเลยจำกัดเวลาอยากเมื่อไหร่ก็ดื่มเมื่อนั้นรับประทานเมื่อนั้นเพื่อให้ได้ความสุขจากการเสบรูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑของอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสของพวกมหอสศบัญฑรต่างๆ หือภาพยนตร์ล้องลัมทำเพลง <c oughs> <c oughs> การเต้นลําร้องลําทำเพลง <c oughs> การไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆการเสริมสวยความงามของร่างกาย <c oughs> การหาความสุขจากการรูปหลับนอนกับ บุคคลนั้นบุคคลนี้ <c oughs> นี่คือการมฉันทะถ้ายัางมีการเสพการมฉันทะอยู่การจะทำใจให้สงบจะยากเพราะว่าหนึ่งจะไม่มีเวลามาให้กับการเจริญสติเพื่อมานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เวลาก็จะหมดไปกับการ เสพรูปเสียงกินลดโผฏฐัพพะชนิดต่างๆถ้ารักษาถ้าละเว้นการเสพกรรมะฉันทะด้วยการรักษาสีงแปดเนี่ยสีแปดก็จะห้ามไม่ให้ไปแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกินลดโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ นี่คือนิวรณ์ข้อที่สองคือการมาฉันทะนิวรณ์ข้อที่สามก็คือความโกรธบางทีเรามีเรื่องมีราวกับคนนั้นกับคนนี้ทำให้จิตใจเราเครียดแค้นอาฆาตพยาบาททำให้ภาวนาไม่ได้ จะเลนสติไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะมัวแต่คิดถึงเรื่องที่คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงบุคคลที่ทำให้เราอาฆาตพยาบาทถ้าเราไม่รู้จักวิธีกาจัดความโกรธเราก็จะไม่สามารถที่จะชำระสักพอกจิตใจด้วยการทำใจให้สงบได้ดีวข้อที่สี่ ก็คือความง่วงเหงาหานอนความเกลียดคร้านซึ settling, ่งมักจะเกิดจากการที่เราไปรับประทานอาหารกันมากๆรับประทานแล้วหนังท้องก็จะตึงหนังตาก็จะหย่อนก็จะไม่อยากที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอยากจะไปหาหมอนหาที่นอน ก็จะไม่มีเวลามาให้กับการฝึกสมาธินิวรข้อที่ห้าก็คือความฟุง้งซ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าคิดอยู่เรื่อยๆจนจิตฟุง้งซ่านเวลาจะมาทำสมาธิทำจิตใจให้สงบมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้นี่แหละคือ ปัญหาของผู้ปฏิบัติจิตภาวนาในขั้นสมถะภาวนานในขั้นของสมาธิเพื่อทำใจให้สงบพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีแก้นิวรเหล่านี้เช่นถ้ามีความนังในสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แสดงว่ายังไม่ได้ศึกษามากเพียงพอ ก็ควรที่จะเข้าหาธรรมะคำส่นคาสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นถ้าสงสัยในพระอริยสงสาวกก้ไปศึกษาไปเรียนกับพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ถ้าได้เห็นได้ยินได้ฟังธรรมของท่านได้เห็นพฤติกรรมของท่านมันก็จะทำให้เกิดความเนื่อมใ ส, ส่ศรัทธาขึ้นมาทาให้ความรังเลยสงสัย <c oughs> ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้หายไปได้เมื่อเราไม่มีความรังเลยสงสัยเราก็จะได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการ ศึกษากับการปฏิบัติตามคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสากนั่นเองอมเมื่อเราไม่มีความลังเลสงสัยเราให้ความเชื่อเต็มร้อยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้เอาสิ่งที่เราศึกษานี้มาปฏิบัติเพื่อ ทักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จึงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมีการสนทนาธรรมกันอยู่เรื่อยๆตามที่พุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในมงคลรื่นกาเลนะธรรมสวัณงการฟังธรรมตามการตามเวลากาเลนะธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมถามตอบคำถาม ที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติธรรมขั้นต่างๆ<ม>เป็นมงคลอย่างยิ่งเอตามังกาลมุตตมังมนี่แหละคือ<ม>เป็นภารกิจของผู้ที่จะปฏิบัติ<ม>จำเป็นที่จะต้องศึกษา<ม>เรียนรู้ก่อนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า<ม>ของพระอริยสงสาวกว่าท่านปฏิบัติกันอย่างไร แล้วก็เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ท่านได้ปฏิบัติกันท่านทำอะไรบ้าง<ม>ถึงทำให้ท่านได้เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ได้ชนะกิเลสเป็นผู้ที่ได้ซักอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ<ม>์ <c oughs> ท่านก็ทำบุญทาทานเสียสละแบ่งปันรั์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ<ม><ม>แล้วก็ออกบวช มีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็สละไปหมดเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเงินทองไม่ใช่เป็นเครื่องซักฟอกจิตใจแต่เงินทองนี่แหละเป็นเครื่องเครื่องเศร้าหมองของจิตใจใครไปเกี่ยวข้องกับเงินทองแล้วมักจะต้องเจอกับความเศร้าหมองเกอดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความหงอยใหญ่เกิความเสียดายเสียใจ เพราะเงินทองเป็นของไม่แน่นอนเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงมาได้ก็ไปได้มีได้ก็หมดได้เวลาหมดก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจจะทำให้จิตใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขเพราะจิตใจจะต้องคอยโลภคอยหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าจิตใจไปพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือให้ความสุขก็ต้องคอยหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยเพราะถ้าวันถ้าเงินทองขาดมือเมื่อไหร่ความสุขที่ได้จากการมีเงินทองจากการใช้เงินทองมันก็จะหายไปมันก็จะทำให้เกิดความเศร้าเศร้าหมองขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมา ผู้ที่ฉลาดผู้ที่ต้องการจะซักฟอกจิตใจนี้จะรู้เลยว่าการเพิ่งเงินทองเป็นเครื่องมือในการซักฟอกจิตใจนี้ไม่ใช่เป็นเครื่องมือแต่กลับเป็นเป็นเครื่องที่สร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจเพราะจะทำให้เกิดความโลภ<ม>เกิดความอยากได้เงินทองนั่นเอง<ม>อแล้วก็อยากได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ มีมากจนกระทั่งใช้ไปสิบพบสิบชาติร้อยพบร้อยชาติมันก็ยังไม่อิ่มไม่พอแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเงินทองที่หามาได้ไม่ให้มันหดหายไปไม่ให้มันสิ้นไปจะต้องคอยหายไปจนวันตาย ถ้ามีถ้ามีความผูกพันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองแล้วอย่าไปหวังในเรื่องของการซักพอกจิตใจให้สะอาบดบริสุทธิ์ได้เลยบรรดานักบาชทั้งหลายจึงสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องซักพอกจิตใจที่จะทำให้จิตใจมีความสุข ทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆแต่แลกลับเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไปจนถึงวันตายพ mm hmm. ระพุทธเจ้ า, าก็ได้สละราชาสมบัติพระสาวกทั้งหลายที่ออกบวชกันก็สล ะ, ะสมบัติข้าของเงินทอง มีคนที่มีทรัพย์สมบัติมาบวชกันมากมายในสมัยพุทธกาลมีพวกราชามหากษัตย์ก็มีพวกระพวกเจ้าชายราชโอรสของกษัตย์มาบวชกันก็มีมีเศรษฐีมีมหาเศรษฐีมาบวชกันก็มีไม่ใช่จะมีแต่คนยากจนที่มาบวชเท่านั้นคนที่มีเงินมีทางนี่ เขาก็รู้ถ้าเขาเห็นถ้าเขารู้ว่าเงินทองเป็นอุปสรรคเป็นเครื่องกีดกัน้นมรรคผลนิพพานเป็นเครื่องกีดกัน้นความเบริสุดของใจใก็จะต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดพอไม่มีเงินทองที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเงินทองแล้วสบาย แต่ต้องรู้จักอยู่แบบมากน้อยสันโดษก็ อ, อยู่แบบตามมีตามเกิดอยู่แบบขอทาน<ม>พวกนักบวชนี้เป็นพวกขอทานมไม่ใช่พวกเศรษฐี<ม>เป็นเศรษฐีเคยเป็นเศรษฐีแต่พอมาเป็นนักบวชนี้จะต้องเปลี่ยนจากการเป็นเศรษฐีมาเป็นขอทาน<ม>อยู่ตามมีตามเกิดตาม ศรัทธาของผู้ให้ยินดีตามมีอะไรก็ยินดีได้อะไรมาก็ยินดีในปัจจัยสี่ถ้าไม่ได้ก็หาเองก็ได้บางอย่างก็หาเองได้เช่นในสมัยพุทธกาลนะสิ่งที่หาเองได้ก็คือที่อยู่อาศัยนักบวชส่วนใหญ่ก็จะไปอาศัยตามโคนไม้ไป ไปทำกระต๊อบไปทำเพลงจากกิ่งไม้ใบไม้ mm hmm. เพื่อมากันแดดกันฝน mm hmm. ไม่ต้องกลัวภัยจากขมโมยหรือโจรเพราะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้ขมโมย mm hmm. โจรจะไม่มาขมโมยทรัพย์สมบัติของนักบ mm hmm. วชเพราะทรัพย์สมบัติของนักบวชนี้มีเพียงเจ็ดเจ็ดชิ้นท่านั้นเองเ mm hmm. ือหนึ่ง มีบาทไว้สำหรับอาหารอาหารไปขอทานบิณฑบาตก็ต้องมีบาทไปบาทหนึ่งใบมีผ้าไตเจวอนอ ม, มีผ้าหนึ่งสำหรับผ้านี้ก็ไม่ได้ไปขอจากชาวบ้านไม่ได้ไปให้ชาวบ้านซื้อมาให้ไปเก็บผ้าห่อศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้ามาซักมาย้อมมาเย็บมาตัด ให้เป็นผ้าจีวรสามผืนผืนที่หนึ่งก็เรียกว่าสบงผ้านุ่งผืนที่สองเรียกว่าจีวรรือผ้าหม่มผืนที่สามเรียกว่าผ้าสังคติผ้าสังคตินี้เป็นจีวรสองชั้นเอาไว้สำหรับห่มเวลาเกิดอากาศหนาวเย็นขึ้นมาในฤ ด, ดูหนาว สมัยก่อนพระนีไม่ต้องไปพึ่งชาวบ้านไม่ต้องพึ่งศรัทธาญาติโยมเกี่ยวกับเรื่องที่พักที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับจีวรเครื่องนุ่งหม่มไปเก็บผ้าที่เขาใช้หอ่อศพสมัยก่อนเขาไม่นิยมเผาหรือฝังศพเอา น, นิยมเอาศพมัดด้วยผ้าขาวแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชา้า ให้ร่างกายมันเน่าเปื่อยไปหรือให้มันให้เป็นอาหารของแรงกาไปเป็นการรักษาระบบนิเวศที่ดีที่สุดไม่ทำลายระบบนิเวศไม่สร้างควันพิษไม่สร้างภาวะโลกร้อ น, นการเผาศพนี่ก็เป็นการสร้างภาวะโลกร้อนขึ้นมเวลาเผามันก็ต้องมีควันมีไฟขึ้นไรลอยไปในอากาศ แล้วก็ไม่กินที่ดินนถ้าฝังศพนี่ต้องก็ต้องกินที่ดินกันสมัยนี้เขาถึงไม่ค่อยนิยมจะฝังศพกันแล้วเพราะหาที่ดินไม่ได้คนมากขึ้นอที่ดินก็มีราคาแพงขึ้นก็เดี๋ยวนี้นิยมเผากันแต่ยังไม่นิยมเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าแต่สมัยก่อนนี่เขาเอาศพเผาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้า พวกที่เป็นนักบวชเวลาต้องการเอาผ้ามาตัดเย็บจีวรก็ไปเก็บผ้าที่ทิ้งอยู่ในป่าชานะนะ้านั่นนหะศพหลังจากที่เน่าเปื่อยเหล้อแต่โครงกระดูกแล้วก็สามารถที่จะเอาผ้าออกจากศพได้แล้วก็เอาไปตัดเอาไปเย็บเอาไปซักเอาไปย้อมทําเป็นผ้าสามผืนผ้าตาจีวรขึ้นมา นักบวชการอยู่การใช้เครื่องนุ่มหมนีสามารถหาเองได้แม้แต่ยารักษาโรค ก, ก็หาทำเองได้ยาดองน้ำมูดยาดองน้ำปัสสาวะนี่แหละเป็นยาเป็นยาดองที่วิเศษเวลาเกิดอาการปวดศีรษะปวดท้องปวดอะไรต่างๆก็ดื่มยาดองน้ำมูดไปเก็บสมอง มาดองกับน้ำปัสสาวะน้ำมู้ยก็คือน้ำปัสสาวะดองไปแล้วมันก็จะเกิดปฏิยากับสมอททำให้กลายเป็นน้ำยาเป็นยาดองขึ้น่าเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดื่มยาดองนี้ไปนักบวชนี้ไม่ค่อยพิถีพิถันไม่ค่อยกังวลกับเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะรู้ว่าเกิดมาในโลกนี้แล้วมันหนีไม่พ้นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วย ความเจ็บได้ได้ป่วยมันก็มีอยู่สามสามชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งก็คือเป็นแล้วก็หายได้ไม่ต้องรักษาไม่ไม่ต้องใช้ยาเช่นบางครั้งเป็นหวัดนี่เป็นไปแล้วสักสี่ห้าวันมันก็หายได้หรือถ้าเป็นแล้วต้องรักษาก็ยืนก็รักษาไปถ้าไม่รักษาก็ไม่หายถ้ารักษาได้ก็จะหาย อันนี้ก็เป็นโรคชนิดที่สองโรคชนิดที่สามก็คือถ้าเป็นโรคชนิดนี้แล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะตายจากกันไปก็มีเท่านี้แหละโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือผู้ครองเรือนไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนร่ำรวยก็เจอโรคภัยแบบนี้ทั้งนั้น แล้วข้าวของเงินทองต่างๆก็ไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงโรคภัยเหล่านี้ได้ <c oughs> นักบวชส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยจะให้ความสําคัญกับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายยิ่งกว่าการรักษาความทุกข์ของใจที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ปวด <c oughs> ใช้สติใช้สมาธิทําใจให้สงบใช้ปัญญา ให้ปล่อยวางร่างกายแล้วใจก็จะเย็นใจจะสบายใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้มันก็ต้องตายจะรักษาได้หรือไม่รักษาไม่ได้ก็ตามมันก็ต้องตายอยู่ดีถ้ารักษาหายในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เป็นใหม่อยู่ดีหนีพ้นไม่หนีไม่พ้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้ารักษาได้ก็รักษาไป ถ้ามีใครมีจิตศรัทธาที่จะอุปการะในค่ารักษาก็บางทีก็อนุญาตให้เขาทำไปอันนี้แต่จะไม่ไปขอใครไม่ไปยุ่งไปรบกวนใครนี่คือความอยู่แบบมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดไปรบกวนชาวบ้านก็เพียงแค่การไปบินทบาทเท่านั้นเอง แล้วก็การบินธบาตินี้ก็ไม่ได้เป็นการไปขอเพราะไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ไปขออะไรใครเพียงแต่ถือบาทเดินเข้าไปในระแวกบ้านแล้วถ้าคนที่อยากจะทำบุญเขาก็เอาของมาใส่เท่านั้นเองถ้าเขาไม่อยากจะทำบุญก็ไม่ต้องใส่มไม่มีภาระผูกพันไม่มีการบังคับกันแต่อย่างใดเรื่องของการทาบุญในพระพุทธศาสนาให้ทำบุญด้วยจิตศรัทธา ถาเชื่อว่าบุญนี้เป็นสวรรค์เป็นเหตุปัจจัยที่จะพาให้ผู้ตายไปไปเกิดในสวรรค์ผู้ที่มีศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องสวรรค์เขาก็จะทําบุญกันผู้ที่ไม่มีศรัทธาในเรื่องบุญในเรื่องสวรรค์เขาก็ไม่ทํากันจะทําไม่ทําก็เป็นเรื่องของคนทำํำคนขอนี้เป็นเพียงแต่ผู้มาเปิดโอกาสให้ได้ทําบุญให้ได้ไปสวรรค์ แต่ถ้าไม่อยากจะไปสวรรค์ไม่อยากจะทําบุญก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือถ้าอยากจะซักพอกจิตใจต้องต้องกล้าที่จะอยู่แบบขอทานอยู่แบบมากน้อยสันโดษเช่นเวลาไปอยู่วัดก็อย่าไปจูจ้จี้จุกจิกว่าจะต้องกินอาหารแบบนั้นกินอาหารแบบนี้จะต้องอยู่กุฏิแบบนั้นอยู่กุฏิแบบนี้น ไปแล้วก็แล้วแต่เจ้าอาวาสท่านจะจัดให้ท่านจะให้เราอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปท่านจะไม่ให้อยู่ก็ไม่อยู่ก็ไปหาที่ใหม่อยู่ไปอย่าไปทุกข์กับการเรื่องการหาปัจจัยสีถ้ามีความมักน้อยสันโดษแล้วจะมักจะไม่ทุกข์แล้วผู้ที่มีความมักน้อยสันโดษมักจะหาที่อยู่ได้ง่ายกับผู้ที่จู้จี้จุกจิก ถ้าไปวัดแล้วไปจู้จี้จุกจิกขออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ขอกินอาหารอย่างนั้นกินอาหารอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ตะเพิดไปนะ ม, มาทำไมว่าถ้ามาอยู่แบบนี้ก็กลับไปอยู่บ้านดีกว่า<ม>ถ้าจะมาอยู่แบบนักบวชต้องอยู่แบบขอทาน<ม>ต้องยินดีตามมีตามเกิด<ม>ถ้าใครเป็นผู้ที่ยินดีตามมีตามเกิดมักจะอยู่ง่ายมักจะมีคนยินดีต้อนรับ เพราะว่ามันไม่ยุ่งยากมากเรื่องคนที่จู้จี้จุกจิกนี่เป็นคนที่มากเรื่องแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอจัดให้แบบนี้เดี๋ยวก็ไม่พอแล้วต้องเอาแบบนั้นอีกแล้วนี่คือนี่คือเรื่องของ <c oughs> กิเลสกิเลสมันไม่มีความอิ่มไม่มีความพอถ้าเราใช้ความโลภความอยากความโลภความอยากนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย แต่ถ้าใช้ความมากน้อยสันโดษเนี่ยมันเป็นธรรมมันเป็นธรรมที่สกัดกั้นกิเลสปัญหาความโลภความอยากต่างๆให้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็พอใจมีอะไรก็พอใจไม่เดือดร้อนอยู่ถึงแม้อาจจะไม่สุขไม่สบายทางร่างกายแต่ก็ไม่เป็นประเด็นสำคัญเพราะการบวชการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อแสวงหาความสุขทางใจ จากการซักพอกกิเลสความโลกความโกรธความหุลงความมักน้อยสันโดษเนี่ยเป็นธรรมที่ซักพอ่อกกิเลสตันหาอยา่างมเลยใครที่อยู่แบบนักงมักน้อยสันโดษได้นยังจะอยู่อย่างสบายกว่าคนที่อยู่แบบจุจจ้จี้จุกจิกอยู่แบบที่จะต้องเลือกเอาตามใจชอบนี่คือเรื่องของการไปเป็นนักบวชของการไปปฏิบัติ เพื่อสักฟอกจิตใจอยากจะให้เข้าใจพื้นฐานของการเป็นนักบวชของการเป็นผู้ซักฟอกจิตใจว่าต้องเป็นผู้ที่ยินดีตามมีตามเกิดเป็นผู้มักน้อย mm hmm. พออยู่พอกินได้ก็โอเคบางวันก็อาจจะไม่พอบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นการเป็นการแก้นิวรน วันไหนที่กินไม่ได้มากไม่ได้มากนี่มันมันกบดีในทางปฏิบัติเพราะว่ามันจะทำให้ไม่มีอิริวรความง่วงเหงาหานอนความขี้เกียจวันไหนได้กินที่ของถูกใจนี่มันกินมากพอกินมากแล้วมันก็อิ่มอิ่มแล้วมันก็ไม่อยากจะปฏิบัติมันอยากจะนอนนั้นทางธรรมนี่ความทุกข์ทางร่างกายความทุกข์ยากลาบากทางร่างกายนี้เป็นเหมือนหินรับมีด สติปัญญาสมาธิของใจแต่การอยู่อยากสุขอย่างสบายทางร่างกายนี่เป็นการเป็นการเพิ่มพูนนิวรณ์ให้เกิดมากขึ้นทําให้เกิดความเกลียดค้านเกิด<ม>ให้ความเกิดความง่ ว, มวงเหงาหางนอนอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรจะคํานึงถึงถ้าเราปฏิบัตินี้ เราปฏิบัติเพื่อใจเพื่อความสบายใจเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสบายกายความสบายกายมากเกินไปมันกลับเป็นนิวรณ์เป็นอุปสรรคขวางกัน้นความสบายของจิตใจได้แล้วก็จะทําให้ยากต่อการที่จะไปหาสถานที่ปฏิบัติที่ดีได้เพราะสถานที่ปฏิบัติที่ดีนั้นต้องเป็นสถานที่สงบสงดัดวิเวก อยู่ห่างไกลจากความเจริญของทางโลกบางวัดก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาสมัยที่ไปอยู่วัดป่าบ้านตาก็ตอนนั้นก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาอาศัยน้ําบ่อตอนบ่ายก็ต้องมาช่วยกันสูบน้ําจากน้ําบ่อด้วยเครื่องใช้ใช้มือสูบสูบใส่ถังถังเป็นถังสี่เหลี่ยมถังถังที่ใส่น้ํามันกา๊าซสมัยก่อน แล้วก็ใส่รถเข็นไปเทไปตามห้องสุ้มต่างๆมีห้องซ้วมจะมีตุ่มน้ําแล้วไปเทมีตุ่มน้ําตามกุฏิที่จะใช้ล้างเท้าเนี่ยก็จะช่วยกันขนน้ําไปเวลาส่งน้ําก็มาส่งที่ที่บ่อนั่นอยู่แบบสบายไฟฟ้าก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีทีวีก็ไม่มีวิทยุก็ไม่มี ถ้ามีไฟฟ้าเดี๋ยวทีวีมันก็เข้ามาวิทยุมันก็เข้ามาแล้วแทนที่จะภาวนามันก็เปิดดูทีวีกันเปิดฟังวิทีโอกันสมัยที่อยู่กับหลวงตานี่มีคนถวายไฟฟ้าท่านก็ไม่เอามีคนถวายระบบน้ําประปาให้ท่านก็ไม่เอาเขาบอกว่าทําให้เกิดความเกลียดข้านภาพมันเกลียดข้านไม่ได้ทํางานถ้าถ้ามี ถ้าต้องคอยเข็นน้ำคอยอะไรคอยสูบน้ำคอยเข็นน้ำอยู่แบบยากลาบากนี้มันต้องอยู่ด้วยความเพียรด้วยความขยันเหมือนเพียรมันจะทำให้ความเพียรแ ก, ะกะ่กล้าจะทำให้เวลาถึงเวลาเดินจงกรมก็เดินได้อย่างสบายเวลานั่งสมาธิก็นั่งได้อย่างสบายถ้ามีของํานวยความสะดวกความสบายครบทุกด้านนี้มันมีแต่นั่งนั่งนอนๆอนนี้เวลาจะเดินจงกรมก็ไม่อยากจะเดิน ไปนั่งสมาธิก็นั่งไม่ไหวนี่แหละคือความสุขทางร่างกายความสะดวกสบายทางร่างกายนี้มันจะเป็นอุปสรรคมันเป็นการมาฉันทะอย่างหนึ่งที่มันจะเป็นนิวรนที่จะทําให้การเป็นเจริญ ส, สติสมาธินี้เป็นไปได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีมีอะไรให้ดูให้ฟังด้วยก็ ตอนนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วมีแต่ดูมีแต่ฟังอย่างเดียวการที่จะไปเดินจงกลมนั่งสมาธินี้ก็เลยไม่เกิดขึ้นมาวัดปฏิบัตินะแต่สมัยนี้ก็ยังมีการนิยมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้น้ำใช้น้าปะปาเช่นบนเขาเจียวนี่ก็ยังไม่มีน้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำปะปาเมือ่อค่ำก็มีงานภาวนาอย่างเดียว ไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ฟังน้ำก็อาศัยน้ำที่ใสรถบรรทุกขึ้นไปหรือน้ำที่รองจากน้ำฝนมาก็เรารู้จักประหยัดรู้จักใช้พอพ อ, พอประมาณทำให้รู้จักความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยความฟุ่มเฟือยก็เป็นเรื่องของกิเลสอย่างนึงฟุ่มเฟือยใช้มากๆไม่ใช่ความมักน้อยความมักน้อยก็คือการใช้อย่างประหยัดเพื่อให้มีน้าไว้ใช้ได้นานๆนั่นเอง ถ้าใช้แบบฟุงฟ้งเฟยใช้วันสองวันเดี๋ยวนั่งก็หมดทางได้ออนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัตินนที่แก้ปัญหาเรื่องการมาฉันทะได้ความอยากอยู่อย่างสุขอย่างสบายทางร่างกายก็ต้องอยู่แบบมากน้อยสันโดษในปัจจัยสี่แล้วก็สารวมตาหูจมูกนิ้นกาย การรักษาศีงแนนี้ก็เป็นการสํารวมอินทรีซีสํารวมตาหูจมูกลิ้วกายไม่ให้ไปสัมผัสกับลูกเสียงกลิ่นรดโสดทพพะเพราะเมื่อได้ได้สัมผัสมันก็จะเกิดเป็นกามฉันทะขึ้นมาเกิดความยินดีที่อยากจะเสพลูกเสียงกลิ่นรดหลังนั้นใจก็จะไม่อยากไปเดินจงกรมไม่อยากจะไม่นั่งสมาธิสมัยนี้ก็มีมือถือ ถ้าไปวัดปฏิบัติที่เขาเข้่งขัดเขาก็ให้ปิดนิ้วเขาให้เก็บมือถือเลยเขาไม่ให้เอาไปเขาให้ฝากไว้ที่วัดก่อนจะได้ไม่มีอะไรมาคอยดึงให้ไปเสพรูปเสียงกินรสจากมือถือเนี่ยมือถือนี่มีรูปมีเสียงพอเห็นรูปเสียงของอาหารเดี๋ยวมันก็แวบไปหาอาหารมากินกันเห็นรูปเสียงของขนมของเครื่องดื่มเดี๋ยวก็แวบไปหามากินกัน มันก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิตัวนี้แหละกามาฉันท์ท่าเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมอย่างมากผู้ปฏิบัติจึงต้องเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องถือศีลแป่ขึ้นไปลดการเสพรูปเสียงกลิ่นลดนองไม่ว่าจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มก็เอาพอประมาณเอาพอเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอ แล้วก็ไม่ให้ทำกิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกนกิ้งกายไม่ร่วมเพศกันไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร้องรำทำเพลงไม่เสริมสวยความงามไม่นอนบนเตียงสาําราญเตียงที่สุขที่สบายฟูกเหนาะๆเพราะจะนอนมากเกินไปให้นอนบนเตียงหรือบนพื้นที่แข็งๆปูด้วยผ้าด้วยเสือ่ออย่างนี้จะนอนไม่มาก พอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วสีห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะรีบลุกขึ้นมาภาวนาต่อเดินยังกรมนั่งสมาธิต่อคนที่มาปฏิบัติธรรมตามว่าต่างๆเขาถึงบังคับให้ถือศีลแปดกันเป็นอย่างน้อยถือศีลแปดจะได้ช่วยกาจัดนิวรณเรื่องการเรื่องการอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นลดแล้วกรเรื่องของความง่วงเหงาเหานอน พ อ, พอกินอาหารเพียงมือเดียวหรือสองมือไม่เกินเที่ยงวันพอบายๆความง่วงนอนต่างๆมันก็จะหายไปหมดตอนเย็นตอนค่ำตอนเดึกก็สามารถเดินโยกมนั่งสมาธิได้อย่างสบายไม่มีอุปสรรคในเรื่องของความเกลียดค้านความง่วงนอนต่างๆ น, นี่คือนิวรณของความง่วงเหงาเอานอนส่วนนิวรณ์คือความโกรธ บางทีมาปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันบางทีไม่ชอบที่หน้ากันก็โกรธกันขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ความเมตตาให้เรามีความรักกันเป็นเหมือนนิสเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องกันมีอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันก็ให้ใช้ความให้อภัยการให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมกันถือว่าเป็นเหมือนกับลิ้นกับลินกับฟันอยู่ด้วยกันบางทีมันก็อาจจะ ขบกันได้ดังั้นต้องรู้จักให้อภัยถ้าไม่ให้ถ้ากดใครแล้วมันไม่ให้อภัยไม่ได้นี่ใจมันจะเครียดใจมันจะนอนไม่ใจมันจะไม่สงบจะให้บริกา ร, รมพุทธโธก็บริกรรมไม่ได้จะให้นั่งดูลมหายใจออก็มันก็จะนั่งดูไม่ได้แต่ถ้าเราให้อภัยเขาได้คิดว่าเขากับเราก็อาจจะเป็นเหมือนกัน บางทีเราก็อาจจะไปทำเขาบางทีเขาก็อาจจะมาทำเราถ้าเราไปทำเขาเขาก็จะมาอฆ่ า, าพยาบาทเรามันก็จะทำให้เราหวาดวิตกกังวลกับการอาฆาตพยาบาทของเขาหรือว่าถ้าถ้าเขามาทำเราเราก็จะเกิดความอาฆาาพยาบาทเขามันก็ทำให้ใจเราไม่สงบใจเราไม่เป็นปกติใจเราก็จะต้องเวลาจะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบมันก็จะทาไม่ได้ อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นนิวรต้องกําจัดต้องรู้จักวิธีกําจัดถ้าลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องศึกษาธรรมะธรรสอนของครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าให้มากๆถ้ารู้จักครูบาอาจารย์ที่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปศึกษาไปอยู่ที่นั่นเรียนรู้จักท่าน mm. เห็นการประพฤติเห็นการปฏิบัติเห็นคําสอนมันก็จะทําทให้เกิดความศรัทธาเลื่อมสายขึ้นมาได้ ควานั่งนี้สงสัยก็จะหายไปส่วนเรื่องของกา ร, รมฉันทะก็คือเนี่ยต้องถือสินแปดกันแล้วก็สำรวมมถึงแม้จะถือสินแปดแล้วข้อไหนที่มันเป็นกา ร, รมฉันทะที่ไม่อยู่ในสินแปก็ต้องคอยคอยหยุดมันเช mm hmm. ่นถ้าเราอยากจะเข่งคัดจริงๆก็อย่าไปดูมือถือเลยเ mm hmm. ป็นมือถือไปถ้าเราจะไปปฏิบัติ mm hmm. ขอออนนนี้ ขอให้เราตายจากโลกนี้ไปสักวันหนึ่งก็ได้ไม่โลกนี้เ้ายังอยู่ต่อไปไม่ต้อ ง, องอกังวลเราไม่ต้องไปรับรู้เรื่องของทางโลกแ่าหนึ่งวันแล้วจะสบายใจกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไปรับรู้เรื่องข่าวสารเรื่องคนนั้นคนนี้ทาดีทาชั่วอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวใจก็ฟุ้งขึ้นมาได้ใจก็จะไม่สงบได้อย่าไปรับรู้อะไรเลยปิดเครื่อง หรือถ้ามีทีวีมีอะไรก็มีตู้เย็นอะไรก็แต่ถ้าไปอยู่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติขอตอนนี้เขาจะไม่มีกันถ้ามีเขาก็มีไว้เพื่อที่จะให้ใช้ในกรณีเช่นเวลาเอาไว้สําหรับรับประทานอาหารเก็บอาหารไว้สําหรับรับประทานอาหารตามเวลาเท่านั้นนี่คือการมาฉันทะส่วน ถ้าถือศีลแปดความม่วงเหงาหาหานอนมันก็จะน้อยลงเพราะกินกินไม่กินหนังเที่ยงวันไปแล้วถ้าไม่กินหนังเที่ยงวันไปแล้วยังรู้สึกง่วงอยู่ก็อาจจะต้องกินมืออม้อเดียวแทนที่จะกินสองมื้อก็เอามื้อเดียวแบบพระธุดงค์นี่ท่านจะฉันมื้อเดียวกันไปบินธบาตตอนเช้ากลับมาปั๊บท่านก็ฉันกั น, กนเลยแปดโมงเก้ามงท่านก็ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรื่องกินนอาหารนี่ก็เรื่องกินอาหารเรื่องดื่มเครื่องดื่มต่างๆก็หมดหมดปัญหาไปกิเลสจะมาขอกินอีกก็ไม่ให้กินนะแล้วลหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงร่างกายก็จะเบาหลังจากอาหารได้ถูกย่อยไปหมดแล้วทีนี้ก็สามารถปฏิบัติเดินจโยมนั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนเลยจนถึงเวลาหลับนอนและบางทีฉันมื้อเดียวแล้วบางทีมันยัง มีความเกลียดข้าหรือมีความวุ่นนอนบ้างบางทีท่านก็ลดอาหารผ่อนอาหารแตนที่จะกินเต็มที่ก็กินแค่ครึ่งเดียวแบ่กินแค่ครึ่งเดียวลดปริมาณอาหารหรือถ้าไม่อยากจะยุ่งยากเลยก็อดไปเลยก็ได้เพราะการอดมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องไปบินทบาะไม่ต้องไปเสียเวลาไปบินทะบะไม่ต้องเสียเวลามานั่งฉันที่ศาลากับ ไม่ต้องมาเสียเวลากับการทำความสะอาดศาลาล้างบาตรอะไรต่างๆ mm hmm. ถ้าไม่ฉันนอนนั้นก็ไม่ต้องยุ่งกังวลเกี่ยวกับเรื่องบินณบาต mm hmm. เรื่องไปศาลาเรื่องอะไรอยู่ที่สถานที่ปฏิบัติเดินจงกลมนั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่องย mm hmm. อันนี้มันก็จะช่วยกระตุ้นความเพียรได้ดี mm hmm. ทำให้กำจัดนิวรณ์ความเกียดค้านความว่นเหวงเหวี่างนอนนี่ คืออุบายวิธีของของการปฏิบัติทักพอกจิตใจต้องรู้จักอุบายวิธีเหล่านี้แล้วต้องกล้ า, าหาญที่จะใช้มันถ้าคนหนึ่งเขาทําได้เราก็ต้องทําได้เราคิดแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มีร่างกายเหมือนเราร่างกายของท่านมีอาการสามสิบสเราก็มีอาการสามสิบสองทำไมท่านอดข้าวได้ทั้ง4ี่สวันทําไมเราอดข้าวแค่วันเดียวทําไมมันอดไม่ได้ มันเป็นอะไรมันจะตายหรือเปล่าถ้าเราอดข้าวเปียวันเดียวมันก็ไม่ตายเท่าหร่สิ่งที่ตายก็คือคือกิเลสกิเลสคือความอยากกินเนี่ยมันจะตายไปถ้าเราอดถ้าเราอดข้าวได้มันต้องต้องคิดให้เป็นดูตัวอย่างของผู้ที่เป็นที่พึ่งของเราคือพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าท่านกินอยู่แบบเศรษฐีหรือท่านกินอยู่แบบยาจกท่างกินอยู่แบบขอทานหรือท่านกินอยู่แบบเศรษฐี มีอาหารมากมายก่ายกองถึงแม้มีใครจะเอาอาหารมาถวายมากมายท่านก็เอาแค่พอใส่บาตรไปเนทะ่าัก็พอฉันน่ะท่านก็ฉันในบาตรอาหารมีอะไรได้มาจะปลาหนี้หรือจะหยาบนี่ท่านก็เอามาคุกกันในบาตรยังมีวัดหนึ่งที่อยู่ดอยปุยนี่อยู่อยู่ใกล้หมู่บ้านชาวแมวชาวเขาแล้วก็อยู่ใกล้พระราชวังอ โดยมีบินธบาตสองสายสสายบ้านบ้านแมวกับสายสายไปที่ในวังอาหารก็เหมือนค้ากับดินอาหารชาวเขากับอาหารในวังทางวัาแก้ปัญหาความแตกต่างก็คือให้อามาเทใส่หม้ออันเดียวกันรวมกันอาหารจากในวังอาหารจากชาวเขาก็เอามาใส่เทไปในหมอ้อแล้วก็เอาไปอุ่นตั้งทำเป็นเหมือนกับเป็นแกงแกงชนิดใหม่ ขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาตักใส่บาทเหมือนกันหมดทุกคนได้กินทั้งอาหารทั้งสองชนิดอาหารชาวเขาด้วยอาหารชาววังด้วยเราก็จะได้ไม่มีการแย่งกันถ้าแย่งว่าใครบินตบาทสายไหนได้อาหารสายไหนก็เป็นของเขานี่เดี๋ยวก็จะแย่งไปสายในวังกันหมดจะไม่มีไปสายชาวเขากันแต่ถ้าทำอย่างนี้แล้วราที่ไปสายชาวเขาดีกว่าเพราะมันใกล้กว่ามันสะดวกกว่าก็ได้ พออาหารที่ได้มาก็ต้องเอามารวมกันในหมอ้ <c oughs> อเขาจะมีหม้อใหญ่ๆเอาให้ใส่เข้าไปอาหารชาววางอาหารชาวเขาเทใส่เข้าไปแล้วก็อุ่นมันที่เขาเรียกว่าแกงโฮเลยเนี่ยทาเป็นแกงโฮไป <c oughs> แกงปาก่าเสร็จแล้วก็ใมาช่วยกันตัดใส่บายของของแต่ละคนบบเหมือนกันหมดเท่าเทียมกันดีตั้งแต่ตั้งแต่เจ้าอาวาสลงไปถึงสามเณรไม่ไม่แบ่งแยกเรื่องฐานะ ดินเหมือนกันอยู่เหมือนกันเพราะต้องการซักพอกจิตใจให้สะอาดเหมือนกันและเครื่องซักพอกจิตใจให้สะอาดของเจ้าอาวาสกับของสามเณรมันก็เครื่องเครื่องอันเดียวกันก็คือการอยู่แบบมากน้อยสันโดษการอยู่บาดจากนิวรณ์ต่างๆถ้ามีนิวรแล้วมันก็จะซักพอกจิตใจไม่ได้ถ้าไม่มีนิวรแล้วมันก็สามารถที่จะซักพอกกิเลสทําจิตใจให้สงบได้นะ การทำจิตใจให้สงบนี่แหละเป็นการซักพอกจิตใจในขั้นที่หนึ่งคือหยุดการทำงานของมันชั่วคราวการที่จะหยุดมันได้ก็เนี่ยก็ต้องมีต้องรู้จักวิธีกำจัดนิวรณ์ต่างๆนิวรณ์อีกข้อสุดท้ายที่ไม่ได้พูดถึงก็คือความพาุ้งท่าอันนี้ต้องใช้วิธีเจริญสติขยันเจริญสตินึ้งตาขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิด ยิ่งคิดแล้วเดี๋ยวมันยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เดี๋ยวก็อดวิภาควิจารณ์ไม่ได้ติดไปคิดมาเดี๋ยวใจก็ฟุ้งขึ้นมาเวลานั่งสมาธิแทนที่จะอยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธมันก็อยู่กับเรื่องราวที่ไปคิดอยู่นะเพรนั้นต้องคอยสกัดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันด้วยการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งบางคนจะใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้ ดึงตาขึ้นมาปั๊บก็อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้นนดึงมันให้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วก็พาพาใจไปพาร่างกายไปทําความสะอาดชำระร่างกายอาบน้ําล่างหน้าแต่งฟันแต่งเนื้อแต่งตัวหรือทำอะไรกับร่างกายก็ให้มีสติให้มีคําบริการไปตลอดอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงวันนี้หรือให้อยู่กับการเคลื่อนไหวเฝ้าดูการกระทําของร่างกาย ร่างกายกำลังอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ำร่างกายกำลังเดินก็อยู่กับการเดินร่างกายกำลังอยู่กับการนั่งก็ให้อยู่กับการนั่งให้อยู่กับร่างกายอย่างนี้เรียกว่ากายยะกตาสติถ้าบริกรรมพุโทโธพุโทโธก็เรียกว่าพุทธานุสติใช้ใช้ชื่อของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติที่เจริญสติถ้าใช้กายยะกตาสติก็ใช้ร่างกายเป็นที่เจริญสติ คำว่าเจริญสติก็คือให้หยุดคิดไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนอกจากสิ่งที่เรากำลังกำลังตั้งเป็นที่ตั้งของสติให้คิดอยู่แต่คำว่าพุทโธพุทโธให้คิดอยู่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังเดินเรากำลังยืนเรากำลังนั่งเรากำลังกินอาหารเช่เวลากินอาหารก็เอาดูตั้งแต่ขั้นเอาช้อนตักอาหารแล้วก็เอาเข้าปากเข้าปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืน ให้ดูทุกขั้นตอนเลยไม่ให้ไปที่อื่นเสร็จแล้วก็พอกลัมาตักอาหารใหม่มะก็มาดูใหม่มตักอาหารเข้าปากเคี้ยวเกิน<ม>ทําอย่างนี้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้<ม>ถ้าพวกอย่างนี้แล้วใจจะฟุ้งซ่านไม่ได้ใจจะไม่มีโอกาสที่จะไปคิดเรื่องราวต่างๆได้<ม><ม>พอมานั่งสมาธิให้อยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมให้อยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไป ไม่ต้องใช้พุดธเข้าโทออกชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอาอย่างนั้นไปง่ายกว่าพุทโทอย่างเดียวก็พุทโทพุทโทไปไม่ต้องมาดูลมถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุทธโทก็ได้ส่วนคนที่ใช้การดูลมในระหว่างที่ร่างกายเคลื่อนไหวนี้เป็นการกระทําที่ยากและไม่ควรจะทําเพราะลมเป็นของละเอียดดูได้ยากกว่าให้ดูการเคลื่อนไหวหดูการกระทําของร่างกายก็พอ หว่าตอนนี้ร่างกายเรากําลังเดินเช่นเวลาเดินจงกรมไม่ต้องเดินไปแล้วดูลมหายใจไปให้เดินไปแล้วดูเท้าจะดีกว่าประกับเท้ากําลังก้าวเท้าไหนอยู่เท้าซ้ายเท้าขวาเท้าซ้ายเทา้ า, ทาขวาไปหรือจะใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปก็ได้อย่างนี้แหละมันอย่าไปทําเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากไปกเปล่าๆการปฏิบัติธรรมของพระเจ้านี่เป็นเรื่องง่ายมากถ้าเรารู้จักถ้าเราเข้าใจหลักการ หลักการของการเจริญสติก็เพื่อให้ไม่ให้ใจเราลอยไปกับความคิดต่างๆให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นเช่นเราบริกรรมพุทโธเราก็อยู่กับเหตุการณ์คือคําบริกรรมนี้ให้อยู่กับคําบริกรรมไปถ้าเราอยู่กับคําบริกรรมมันก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราอยู่ ก, กับการเดินของร่างกาย<ส>ก็ดูที่เท้าไปเท้าก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาไป ถ้าเราทํางานนี่ก็ดูกับงานที่เรากําลังทําอยู่กำลังปัดกวาดเนี่ยพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ปัดกวาดกันเวลาปัดกวาดท่านก็ไม่คุยกันเจ调หน้ากันท่านก็ไม่ทักทายกันต่างคนต่างมีสติอยู่ที่ไม่กวาดกับสถานที่กวาดไม่มาทักทายไปไงสบายดีหรือท่านวันนี้ไปทําอะไรมาอย่างงู้นอย่างนี้นนในสํานักปฏิบัตินี้เขาไม่คุยกันเวลาเข้ามาเจอกันคนที่ไม่รู้จักวิธีของนักปฏิบัตินี้อาจจะคิดว่าโกรธกันหรือเปล่าเกลียดกันหรือเปล่า ทำไมไม่มีการทักทายสนทนากันเลยเพราะว่าท่านกำลังเจริญสติมีชาวบ้านเคยถามว่าทำไมพระไม่พูดไม่คุยกันเลยไม่หยอกย้อ ก, กันเลยโกรธกันหรือเปล่าบอกท่านไม่โกรธใครหรอกท่านไม่โกรธกันท่านต้องการเจริญสติท่านต้องการควบคุมใจของท่านให้อยู่กับงานที่ท่านกำลังทำอยู่แล้วงานที่จะทำมันก็ไม่ผิดพลาดด้วยถ้ามีสติอยู่ ง, งานที่เราทำ แล้วก็จะเป็นงานที่เรียบร้อยแล้วก็จะไม่มีเสียงกึอัทึค้เคลกโคลงสังเกตเดียวคนที่ไม่ไม่มีสตินี่นนเวลาล้างถ้วยล้างชามเสียงถ้วยชามดังทึ้งท่องทึ้งท่องแล้วนอกจากเสียงคนคนล้างก็คุยกันไปคุยกันมานั่นแหละนี่คือลักษณะของการไม่มีสติถ้าเป็นการมีสตินี่ เวลาหลังจากนั้างท้วยนี้มันจะเงียบไม่มีเสียงกระทบกันเพราะมีสติคอยเข้าดูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีการขนสนทนาคุยกันเงียบเหมือนกับคนใบ้นี่แหละคือวิธีจารสติถ้าเราต้องการที่จะกําจัดความฟุ้งซ่านนิวรณที่จะมาขีดกัน้นการกระทําใจของเราให้สงบการซักพอกของใจเราด้วยสมาธิาเราต้องมีวิธีการแก้นิวรณทั้งทั้งห้าประการนี้ ความดังเล่ยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องศึกษาธรรมะต้องอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆอย่าไปอยู่กับคนพาลอยู่กับคนที่ไม่เชื่อถ้าไปอยู่กับคนที่เขาไม่เชื่ อ, เ, อเขาก็บอกไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องนิยายเขาแต่งกันขึ้นมาโลกสวรรค์ไม่มีหรอกเป็นเรื่องกลุลขึ้นมาเรื่องของความงมงายอย่าไปอยู่กับคนแบบนั้น ถ้าอยู่กับคนแบบนั้นมันก็จะทำให้เราเขวได้ทําให้เราลงหลังสงสัยเอย๊จริงหรือเปล่าเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือเปล่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าทําบุญแล้วไปสวรรค์จริงหรือเปล่าทําบาปแล้วไปนรกจริงหรือเปล่าทําบุญทำไมทำดีทําไมไม่ได้ดีทําชั่วทําไมได้ดีมีถมไปเนี่ยมันก็จะเกิดความลังเนสงสัยต่างๆขึ้นมาได้ถ้าพอเกิดความลังเลแล้วมันก็จะไม่อยากจะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อไม่ปฏิบัติมันก็จะไม่ได้ผลดังั้นต้องอย่าต้องรู้จักคบคนพระพุทธเจ้าบอกว่าอาเสวนาจะบาลานางังมัณฑิตานันจะเสวนาให้รู้จักเลือกคบคนฉลาดอย่าไปคบคนโง่คนโง่ก็คือคนที่ไม่รู้เรื่องของบุญของบาปเรื่องของนรกของสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นเรื่องที่มีจริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ก็าอาหารหันตสาวงทุกข์ว่าองนี้ไม่มีใครปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เลยแม้แต่คนเดียวไม่เคยปฏิเสธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครปฏิเสธเรื่องมรรคผลนิพพานมีแต่ร้องนับกันเหมือนกันว่าเป็นสวากขาโตภะกวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถ้าเราครบกับคนเฉลาดเขาก็จะย้ำเรื่องความจริงเหล่านี้ให้กับเราเราไม่เชื่อถ้าฟังบ่อยๆเขาเดี๋ยวก็ต้องเชื่อเอง เพราะว่าท่านจะมีอุบายวิธีสอนเราให้เรารู้ว่าใครไปนรกใครไปสวรรค์ mm hmm. พอเรารู้ว่าใครไปนรกไปสวรรนคะ์นั้นเราก็จะเข้าใจาทันทีเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเราไปคิดว่าร่างกายเป็นผู้ที่จะไปนรกไปสวรรค์นี่เราก็จะไม่เชื่อเพราะเราเห็นนะว่าร่างกายของทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วในที่สุดก็ไปที่ที่เมรุด้วยกันทั้งนั้น mm hmm. ผู้ที่จะไปนรกไปสวรรค์นี้ไม่ใช่ร่างกาย mm hmm. ผู้ที่จะไปนี่คือใจผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี่เป็นผู้ไปนรกไปสวรรค์มไม่ใช่ร่างกายที่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นร่างกายมันไปที่เมนกันทุกคนถ้าให้ไปที่เมนก็ไปที่สุสานไปที่ขังศพกันนันน<ม>ี่ถ้าอยู่กับคนฉลาดอยู่คนที่รู้จริงเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าพระอริยรสงสาวกแล้วเรื่องความลังเลยสงสยัยต่างๆ ในธรรในพระธรรมคําสอนของพระเจ้ามันก็จะไม่เกิดมันก็จะทําให้เราไม่ต้องมากังวลว่าเราทําผิดทําถูกเราถูกหลอกหรือเปล่าเพราะเราจะเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นเลยว่า<ม>ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงตัดสอนนี่เรียกว่าเป็นสวากขาโตพระกะัตตาธรรโมเป็นความจริงที่ตัดไวต้ตรงตามความเป็นจริงทุกประการแ ล, ล้วลกก็จรงิงสวรรค์ก็จรงิงบุญก็จรงิงบาปก็จรงิงการเวียนว่ายตายเกิดก็จรงิง การยุติการเวียนว่ายตายเกิดคือพระนิพพานก็เป็นความจริงนี่คือนิวรณ์ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การมาฉันทะก็ให้ถือศีลแปดสมรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่าเข้าใกล้รูปเสียงกินรสอย่าไปเสดมันถ้าเกิดความโกรธก็ให้แผ่เมตตาให้อภัยกับคนที่เขาทําให้เราโกรธความง่วงเหงาเขงาน อ, นอนก็ให้ลดการกินให้น้อยลงไปถ้าง่วงนอนก็อดไป ย้อหมอดทางนั่งกายเพื่อความความอิ่มทางจิตใจดีกว่าพอเวลาทําใจให้สงบแล้วใจอิ่มนี้ความหิวของทางนั่งกายนี้ไม่มีความหมายแต่อย่างใดไม่เดือดร้อนเลยใจที่มีความสงบมีความอิ่มทางใจแล้วอดข้าวกี่วันก็อดได้อย่างพระพุทธเจ้าดได้ตั้งสี่สิบเก้าวันเพราะใจท่านอิ่มใจท่านไม่หิวร่างกายหิวมันก็มันก็เป็นความหิวของน่างกายที่ไม่มากระทบกระทอนกับจิตใจที่อิ่มแต่อย่างใดนะ ยังต้องกล้าที่จะอดนะถ้าอยากจะปฏิบัติต้องกล้าที่จะทุกข์ยากเดือดร้อนลาบากในการปฏิบัติมันจะได้มันจะได้ป้องกันมื้อกําจัดนิวรความง่วงเหงาหงนอนความเกลียดค้านได้แล้วประการสุดท้ายก็ให้หมัน่นเจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วรับประกันได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็ว กิเลสก็จะสงบตัวลงแล้วหลังจากปฏิบัติจนชํานาญแล้วก็สามารถก้าวขึ้นสู่ท่านวิปาาัสสนาหรือขั้นปัญญาได้ด้วยการศึกษาอริยสัจสี่ไตรลักษณ์ถ้ามีอริยสัจสี่ไตรลักษณ์เข้าใจหลักของไตรลักษณ์เข้าใจหลักของอริยาาสัจสก็ <S <S จะเห็นว่าทุกต่างๆนี้เกิดจากตัณหาความอยากเกิดจากกิเลสตัณหาที่เราต้องการซักพอนั่นเองพอเราซักพอเรากําจัดกิเลสตัณหาด้วยปัญญาได้นะ ทีนี้กิเลสตัญหาก็จะหายไปอย่างทาวอนใจก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาปราศจากความลักความความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงความอยากต่างๆใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้หละที่เราเรียกว่านิพพานขึ้นมานิ บ, บานังปละมังสุ ข, ขังอันนี้แหละคือวิธีการซักพอกจิตใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตชินนางเปตานังอุปกปติอิตชีตังปัตช um ีตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ อราโสหยทธาสภิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจจังวุทฒาปะจายโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวโนสุขัง ภาลาัาช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครสงสัยอะไรอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกหลังจากที่เลิกแล้วก็จะต้องขออนุ ญ, ญาตไม่ได้ตอบคำถามให้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็ถยนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กสามร้อยเจ็ดสิบสี่ท่านทางยูทู e พระอาจารย์สุชาติสามร้อยห้าสิบสองท่านทางยูทู e ดรวีหกสิบสี่ท่านพิทยุออนไลน์แปดท่านกับเฮาส์แปดท่านแล้วก็หน้ากุฏิหนึ่งร้อยห้าท่านรวมทั้งหมดเก้าร้อยสิบเอ็ดท่านครับ กราบในวัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมะนาคุติคำถามจากคุณโยมมาริกาเจ้าค่ะน้อมกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าทุกครั้งที่ลูกได้ปฏิบัติลูกได้บอกผลบุญและถวายผลบุญนี้ให้แก่คุณพ่อคุณแม่ และผู้มีพระคุณรับทราบถ้าเหล่านั้นจะพึงได้รับผลบุญนั้นหรือไม่ได้มากน้อยเพียงใดขณะนี้คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ลูกควรปฏิบัติอย่างไรที่จะทําให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับบุญคุณศลที่ลูกให้ได้หนึ่งเซเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอไม่ได้หรอการปฏิบัตินี่ของใครของมันแบ่งกันให้ไม่ได้สิ่งที่เราจะให้พ่อแม่ได้ก็คือเลี้ยงดูท่านดูแลท่าน ให้ดีอันนี้แหละเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ยังดูพ่อแม่มไม่ใช่ไปปฏิบัติธรรมาแล้วก็พ่อไม่เอาทำมาบุญมาฝากมัไม่ได้หรอกอหนึ่งตัวเองยังไม่ได้เลยมปฏิบัติยังไม่ได้ผลระยาบุญที่ไหนมาให้อสองเรื่องของการได้บุญนี้ใบแบ่งให้คนอื่นไม่ได้ไอ้ผู้จ้า ก, ก็แบ่งที่ผานให้ของเรากันไปหมดแนละ้วไม่ต้องมาปฏิบัติกันให้เหนื่อยยาก ของใครของมันผลจากการปฏิบัตินี้แบ่งให้ใครไม่ได้เจ้าค่ะคำถามจากคุณคุณยิ้มศิริลักษ์เจ้าค่ะขอกราบยินถามพระอาจารย์สุชาติหากเรียนอภิธรรมแล้วยากไม่ค่อยเข้าใจควรศึกษาหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาอย่างไรจึงจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสูงสุดเจ้าค่ะ ก็ต้องศึกษาจากแหล่งที่ถูกก็คือหนังสือจากข้ะไตไปิฎกที่คณะสงฆ์ท่านอาจจะคัดเรือกออกมาเป็นหลักสูตรนักธรรมตีโทเอกนี่ก็ไปศึกษาแบบนั้นถ้าอยากจะเรียนรู้ทางธรรมก็ต้องปฏิบัตศึกษาขั้นเบื้องต้นก็ศึกษานักธรรมตีโทเอกก่อนเราจะสอนธรรมะต่างๆที่เราควรจะรู้กัน คำถามจากคุณอุดมศัพดิ์เช้ค่ะอยากจะเรียนสอบถามพระอาจารย์ว่าถ้าเราถือศีลฟังธรรมอยู่ที่บ้านอนิสงส์จะได้เท่า ก, กันกับที่เราไปฟังธรรมที่วัดหรือไม่ครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านผมก็ฟังธรรมปฏิบัติภาวนาที่บ้านครับมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่หรอกมันอยู่ที่สติถ้ามีสติก็ได้ผลถ้าไม่มีสติก็เหมือนกับทับพีในหม้อแก่ ฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าฟังอะไรใจลอยไปคิดถึงเงินคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงที่เที่ยว ท, ที่นู่นที่นี่ระหว่างฟังไปถ้าฟังแบบนี้ก็เหมือนทับพีงในหม้อกแกงไม่รู้เรื่องว่าธรรมะที่เราฟังนั้นคือคืออะไรบ้างอย่างไรต้องฟังแบบดิ้นกับแกงเพียงใดเอาแกงหยดหนึ่งไปแตะที่ดิ้นก็รู้เลยว่าแกงนี้แกงเผ็ดด้วยแกงหวานแกงจืด เราต้องฟังแบบมีสติอันนี้ตัวเป็นตัวที่เป็นตัวตัดสินว่าเราจะได้ประโยชน์หรือไม่อยู่ที่การฟังด้วยสติหรือไม่มีสติสถานที่ก็อาจจะมีส่วนแต่เป็นส่วนย่อยส่วนย่อยสถานที่มันอาจจะทําให้เรามีสติมากขึ้นเช่ชนบางบางทีอยู่บ้านเรามันอาจจะมีสิ่งมาคอยยั่วเยือกในคนใจเรามีเสียงมีกระทึกทุกโคมีคนทุกผ์านถ้าเราฟังแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยได้สติเท่าไหร่ แต่รารมาฟังที่วัดที่ทุกคนนั่งนั่งฟังอย่างเนียบอย่างเงียบสงบอย่างนี้ไม่มีอะไรมารบกวนใจเรามันก็จะมีสติมากขึ้นเฉะนั้นผลที่จะเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมไม่ได้อยู่ที่สถานที่โดยตรงอยู่ที่ว่ามีสติหรือไม่มีสติในการฟังเช้าค่ะคําถามต่อไปจากคุณนักรบกองทัพธรรม กราบทินถามพระอาจารย์เวลาผมนั่งสมาธินานๆานรู้สึกว่าร่างกายชาไปครึ่งซี่ผมควรหยุดพักภาวนาเปลี่ยนมาเป็นนอนภาวนาได้ไหมครับไม่ต้องหรอกมันจะชาก็ปล่อยมันชาไปไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือการปฏิบัติต่อถ้าเรงปฏิบัติมานอนปฏิบัติมันก็หลับเท่านั้นเองอันนี้ก็เข้าทางของกิเลส กิเลสมันพยายามที่จะหลอกล่อให้เรามาหากามาฉันทะกันมาหาความสุขความสบายทางร่างกายกันมันก็เลยหาเรื่องพรอชาตรงนั้นชาตรงนี้หน่อยก็ไม่ไหวแล้วเป็นธรรมดานั่งพปนาามันก็ต้องมีการชาบ้างมีการเจ็บบ้างแต่ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็หายไม่ต้องไปกังวลให้อยู่กับการภาวนาไปเดี๋ยพอใจสงบแล้วอาการต่างๆมันก็จะไม่เป็นปัญหา เจ้าค่ะจากคุณพักพินันเจ้าค่ะขอกราบถามเจ้าค่ะถ้าเราไปทําบุญโดยไปออกโรงทานแล้วคนที่มารับทานเขาขอร่วมบุญกับเราเราสามารถเอาเงินที่เขาร่วมมาทําอะไรได้บ้างเจ้าคะก็แล้วแต่เราถ้าใครเรามาเราจะอาไปทําทานต่อก็ได้หรือเราจะเก็บไว้สําหรับใช้ย่างอื่นก็ได้ถ้าเขาไม่ได้เบ้ แต่เขาไม่ได้กําหนดเพราะว่าเขาต้องการทําทานเราก็เอาเงินของเราที่อะมาทําทานออกมาแล้วก็เอาเงิขงเเาาททนออองของเขาเข้าไปแทนที่เช่นถ้าเราทํางานทำทำทำบุญแล้วมีคนมาร่วมบุญนี่เราก็เอาเงินส่วนเกินนี่กลับมาเป็นเอาไปใช้อย่างอื่นได้เพราะเราเอาเงินของเขาไปใช้ตามที่เขาบอกแต่เงินนั้นเง manifest, ินที่เราส่วนเกินนี่เป็นเงินของเราที่เอามาทําทานแต่เราไม่ได้ทําทานเพราะมีคนอื่นมาขอร่วมแทน แล้วเงินนี้ไปทำอย่างอื่นก็ได้ไม่เสียหายตรงไหนใช่ค่ะจากคุณศรัทธาแห่งพุทธะกราบนมัส ก, การท่านเจ้าคุณครับการสร้างวัตถุมงคลเพื่อมีจำน่ายและอ้างสปปรรพคุณมากมายถือว่าเป็นการสร้างกิเลสให้กับประชาชนหรือไม่ครับในการหลอกลวงประชาชน วัตถุนี้ไม่มีไม่มีความเป็นมงคลใดอย่างใดแต่ตั้งชื่อว่าวัตถุมงคลนี้ก็ผิดนะวัตถุก็เหมือนโทรศัพท์นี่ทำไมไม่เรียกโทรศัพท์มงคลล่มันมันเก่งกว่าพระพุทธรูปอีกพระพุทธรูปทําอะไรไม่ได้เนี่ยโทรศัพท์มันถ่ายรูปได้มันติดต่อกับคนนั้นคนนี้ได้อันนี้มันจะมงคลกว่าสิแต่มันมงคลทางโลกมันไม่ได้มงคลทางธรรมมงคลทางกิเลสมันทําให้เรา มันนำมารับใช้กิเลส ข, ของเราพูดง่ายๆของวัตถุต่างๆนี้มันไม่มีอะไรเป็นมงคลเลยมันเป็นวัตถุมันเป็นมงคลไม่ได้สิ่งที่มงคลนี่อยู่ในมงคลสามสิบแปนู่น <Yeah. S 1> ไปศึกษามงคลสาสบดูมีวัตถุมงคลไหมไม่มีมีแต่อาศวานาจะพาลานังอย่าครอบคนพานอย่าครบคนโง่อย่าครอบคนฉลาดบันดิต <Yeah. S 1> แล้วก็บูชาบุคคลที่สมควกับการบูชา พ่อแม่บิดามารดาปุยตาญายิคูบาอาจารย์บูชาด้วยการอาบิสบูชาเลี้ยงดูท่านปฏิบัติบูบชาเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของท่านอันนี้แหละเป็นมงคลอาจารยังส่ค่ะถ้าเราจะหาที่อยู่ับบสัพพยะเพื่อปีวีเวกโดยถือศิล8แปดสร้างที่อยู่เอง แบบตัดครอบครัวธุรกิจการงานไปเลยโดยที่เราวางระบบบริหารจัดการไว้หมดแล้วไม่มีห่วงแล้วและยกทรัพย์สมบัติให้ครอบครัวเพื่อไม่ให้มีความร้อนร้อนในการดํารงชีวิตตอนที่ไม่มีเราช่วยเหมือนเดิมแบบนี้เป็นการตัดสินใจอย่างถูกต้องไหมเจ้าคะ่ะถ้ายังต้องใช้เงินอยู่ก็ยังไม่ถูกต้องร้อเอร์เซตต้องไม่อาศัยเงินทองเลยอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบตามมีตามเกิดไป ก็ต้องไปอยู่ตามวาดัดตามสำนักที่เขาอยู่กันแบบนั้น <S <S วัดนี้วัปฏิบัตินี้ท่านก็จะมีส่วนหนึ่งที่ท่านท่านจะรับ อ, อุบาสิกาไปอยู่ด้วย <S 1> <S 1> แล้วก็อยู่อาศัยวัดอาศัยข้าววัดกินแล้วก็ตอบแทนบุญคุณของวัด้วยการทำหน้าที่การงานต่างๆที่มีอยู่ในวัดไปแล้วก็ปฏิบัติทำไปอย่างนี้ได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องราวเรื่องเ่าของเงินทองใช่ไเช้าค่ะ มีคุณโยมมาริษาเจ้าค่ะฝากบอกเจ้าค่ะว่าท่านพระอาจารย์ไม่สบายยังออกมาเทศนาสั่งสอนผู้ที่ใฝ่ธรรมอีกขอให้ท่านหายเร็วๆนะเจ้าค่ะขอมันได้ก็ดีถ้ามันขอได้ก็มันก็สบายตลอดเวลายังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะเี okay. ใครอยากจะถามไหมไมีจากคุณพงศักดิ์เจ้าค่ะกราบเรียนถามครับ รู้ธรรมกับเห็นธรรมต่างกันหรือไม่อย่างไรครับมันก็คําเดียวกันแหละรู้กับเห็นมันใช้แทนกันได้ยังไม่มีคําถามเขามาใค่ไหคะไม่มีก็ไม่มีไม่มีก็ตั่งรองไปก่อนตั่งภาวนาไปก่อนเราถ้าแป๊เดียวไม่มีเราก็จะได้ยุติโน บางทีคนกำลังพิมพ์คำถามอยู่พอเราเลิกเขาก็จะไม่ได้ถามเดี๋ยวรอสักนาทีสองนา ท, ทีให้เขาพิมพ์ข้อความไม่เสร็จก่อนถ้าพิมพ์อยู่ถ้าไม่ทันก็ต้องรอขาวหน้ามีคำถามจากเฟ e บุ o k เช้าค่ะกราบเรียนถามค่ะความฝันเกิดจากอะไรคะความปรุงแต่งสังขารความคิดปรุงแต่งของจิต เวลานอนหลับแล้วก็เรื่องต่างๆที่เราไปทํามาปรุงแต่งถ้าเอาเอาเรื่องบุญมาปรุงแต่งก็จะฝันดีเอาเรื่องบาปมาปรุงแต่งก็จะฝันร้ายจากคุณนันทพรเจ้าค่ะอยากสอบถามว่าเหตุนใดจึงเกิดเป็นต้นไม้แล้วการตัดต้นไม้บาปใหมคะคือคนสมัยก่อนเขาคิดว่าต้นไม้มีวิญญาณ ที่เจ็บปวดไปกับการถูกตัดเหมือนร่างกายของคนแต่ร่างกายของคนกับต้นไม้ไม่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นธาตุสีเหมือนกันแต่ร่างกายมีดวงวิญ ญ, ญาณมาเกาะด้วยมาทุกข์มาสุข ก, กับความสุขความทุกข์ของร่างกายส่วนต้นไม้นี่ไม่มีวิญ ญ, ญาณไปไปสุขไปทุกข์ด้วยดังั้นการทำร้ายต้นไม้ก็ไม่ได้ไปทําให้วิ ญ, ญญาณของผู้ใดสุขหรือทุกข์ใดอย่างใดก็เลยไม่ถือว่าเป็นการบาป แต่คนสมัยก่อนไม่รู้เขาเขาคิดว่าบาปเขาก็เลยมาตำหนิว่าทำไมพระไปตัดกิ่งไม้ไปตัดต้นไม้ได้พรเจ้าก็เลยต้องห้ามพระไม่ให้ไปตั ด, ต, ดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ถ้าต้องตัดก็บอกให้ญาติโยมทำหน้าที่ให้แทนเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีก็หมาอย่างอเข้ามา อ, องมา่งไม้แบงก์ก่อ อขออนุ ญ, ญาตหลวงพ่อนะครับผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทําบุญนะครับอย่างเรานิมนต์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทําบุญบ้านหรือทําบุญต่างๆทํ า, าทไมถึงยังมีการถวายอพัฒหารกับพระพุทธเจ้าด้วยครับก็เป็นความเชื่อทํามาเป็นประเพณีเ hmm. ชื่อว่าก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแล้เขารูพระพุทธเจ้า เราเลี้ยข้าวพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องเลี้ยงข้าพระพุทธเจ <password. S 1> ้าด้วยท่านนี้เป็ความเชื่อแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าก็กินไม่ได้นะ้ำอาหารพร <c oughs> ะเจ้าบอกถ้าอยากจะบูชาเราบูชาด้วยอามิสบูชาหรือปฏิบัติ บ, บูชาับ <c oughs> อามิสบูชาก็ไปทําบุญทําทานครับ <c oughs> ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหลือนร้อนปฏิบัติบูชาก็ไปภาวนาทําจัดกิเลสนี่คือวิธีบูชาพระพุทธเจ้าับแต่คนไม่ศึกษาก็ไม่รู้ ศึกษาว่าพระพุทธรูปต้องกินข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวพระพุทธรูปจะหิวพอดีอ่าเขาบอกว่าอมักกทายกนะครับก็อบายของมักกะทายกเพราะว่าราบูชาเสศคารกิน่ะมักกทายกทานนั่นแหละเพราะธรรมดาญาติโยมไม่เตรียมอาหารให้มักกทายกนี่มันิมนต์พระไปเตรียมอาหารให้อาหารกับพระกับพระพุทธรูป อืมครับมครายกก็เลยต้องทำงหน้าที่ทางพระพุทธเจ้าว่าถ้าเกิดว่าให้ให้พระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนะครับเยอะชามใหญ่ก็ยิ่งเป็นบุญใหญ่ได้มกรายกก็ได้นี่แหละอุบายของคนฉลาดเราคนโง่เนี่งพวกเราครับอขออนุญาตอีกข้อ น, นึงครับออ่าสังขารคือหนึ่งในขันห้าแล้ววิสังขารล่ะครับผมนี่แล้ววิสังขารไม่มีเหมือนเหมือนจะเคยได้ยินจากว่า ผมไม่มีอ่ะไม่มีครับไม่เป็นไรครับครับครับมีสังขารอย่างเดียวคือความคิดปรุงแต่งท่านในขันห้าก็มีสังขารความคิดปรุงแต่งครับขอบคุณครับมีคําถามจากคุณน้าชาเจ้าค่ะขอคําชี้แนะเรื่องปล่อยวางความทุกข์ที่เข้ามากระทบใจเจ้าค่ะก็อย่าไปแบกมึงนะนนนนนทุกข์นี่มันหนักมาก เราไปยกมันดูสิมันถ้าเราไปยกมันจะรู้มันหนักใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ไปยกมันจะหนักไหมก็ปล่อยมันอยู่เฉยอย่าไปแบกมันใครจะทําดีทำเชื่อก็อย่าไปแบกเขาอย่าไปยุ่งกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาแต่ถ้าเราไปยุ่งกับเขาปั๊บอย่าให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาได้นี่นนะคือการแบกการปล่อยวางก็คือปล่อยให้ทุกอย่างเขาอยู่เป็นไปตามสภาพของเขาปล่อยให้รถอยู่ตามเรื่องของเขาปล่อยให้บ้านเขาอยู่ตามเรื่องของเขา มันก็จะไม่หนัก อ, อกหนักใจแต่ถ้าไปห่วงไปกังวลอยากให้รถไม่เสียไม่ถูกขโมยไม่อะไรมันก็จะเป็นการไปไปแบกรถละมันก็หนัก อ, อกหนักใจขึ้นมายังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคไม่มีก็ เ, เท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพพจารณาไปปฏิบัติ